ฝนตกฟ้นค่อนเนี่ยฝนตกจนน้ำท่วมใต้ชุนกุติน้อยเลาเน่ยท่วมทางกลมฝนหนาไปทางว่าอาจารย์หมูเมื่อวานอ้ไม่เห็นมีน้ำเหมือนทั้งนี้หวะตอนนี้เราออกไปนี่ออกไปหนองวศรในน้ำท่วมท่งนาแต่เ่า ไ, ไม่เห็นมีน้ำเมื่อวานเราไปอาจารย์หมูมาหวาน มุนจันจันหมูแ ป, ป๊บเดียวละคนละสามสิบเป็นตาสี่สิบเป็นตาแ ป, ป๊บเดียวได้นี่ ก็ละ30มษา4ี่สิษาแป๊บเดียวแป๊บเดียวยี่สิปีเนี่ยถ้เต่านี่แป๊บเดียวยี่สิบปีมันจะมาสาอยู่ถ้เต่านี่แป๊บเดียวนี ย, น ย, นน ย, ยนนี่สิปีแหละเนี่ยระบปะปังก็ไม่จบเนี่ย ชุดเป็นชุดมันผุมันพังเป็นชุดเป็นชุดต่อไปคนก็จะเริ่มผุและคนก็จะเริ่มผุเริ่มพังแล้วยี่สิบปีนี่ซ่อมลังคาไปเกือบหมดทุกหลังเลยเนะี่ยลังคาพังหมดเลยอีกสองปีก็ อีกปีเดียวจะได้หรือเปล่าไม่รู้โรงครัวใหญ่เนี่ยพวกขึ้นกินหมดพวกมันเอาไม่อยู่ตั้งแต่ที่แรกพวกก็อยู่กันอย่างนี้แหละทำกันอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้ปฏิบัติกันอย่างงี้ภาวนากันอยู่อย่างนี้ ทำกันอยู่อย่างนี้คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมเราทําอยู่อย่างนี้จิตใจของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไหม เราทำเหตุแล้วผลจะไม่ตามมาเนี่ยมีไหมมีเหตุใดบ้างที่ประสิทธิผลและมีผลใดบ้างที่ประสิทธิเหตุไม่มีตั้งแต่การไหนๆนไม่เคยมีการไหนไหนก็ตามมีผลเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีมีเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีผลไม่มี โดยโลกใบนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเพียงเท่านี้โอกาสสโลกโลกแผ่นดินต้นไม้ภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เขาเรียกโอกาสโลกเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเพียงเท่านี้โดยเกิดขึ้นโดยเหตุด้วยผลเหตุผล พ่วงกันสืบเนื่องกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงพ่วงมาแล้วก็ดูซิฝนตกเพราะอะไรเพราะมีน้ําอยู่บนอากาศน้ํามีบนอากาศเพราะอะไรเพราะมีแดดเผาเอาไอน้ําขึ้นไปอ่าหลมก็ลมก็มกพัดไปพัดมานั่นได้ที่ได้ทางก็ตกลงมาเป็นน้ําจากจากั๊กจาก๊กลงมาเมันก็เป็นวัฏจักรกันอยู่อย่างนี้ ดูให้เห็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลโอกาสชะโลกมนุษย์สโลกเทวโลกมนุษย์สโลกโลกมนุษย์คือสัตวโลกโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่นเกิดเกิดขึ้นมา ธรรมกลางไบยภูมิเทวโลกมนุษย์อยู่ธรรมกลางมนุษย์โลกมนุษย์มีภูมิปัญญาที่จะปรับเปลี่ยนจากต่ำสุดให้ดีสุดได้จากดีสุดให้เลวสุดสุดสุดได้มนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยเพราะมันสมองของมนุษย์เนี่ยพัฒนาไปได้ เวแต่กรรมมันทับกรรมมันหนักหนาสาหัสมันทับทับลงไปทับไปที่มันสมองเคยชอบบริโภคของเมาตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เงอะงะขาดสติขาดสัมผัชัญญะชอบเมาอาชินกรรมชอบเมาเกิดเป็นคน เกิดเป็นคนบ้าเกิดเป็นคนหลงบ้าหลงทั้งทั้งที่คนอื่นเขาเป็นปกติอยู่ตัวเองบ้าตัวเองหลงตัวอื่นเป็นปกติอยู่ความรู้ความฉลาดเท่ากับบุญกับกรรมที่ทํามาแต่เขาไม่ถึงกับบ้าไม่ถึงกับหลงยังพอจะพัฒนาไปได้เป็นบัวสีเหลาประเภทบ้าหลงที่ว่าเนี่ย ด้วยกรรมกรรมเก่ า, ก า, กามันทับถมเนี่ยอันนี้มันเกินปัฏฐะประมะไปอีกแล้วเนี่ยเป็นปัฏฐะประมะก็ได้เกินปัฏฐะประมะไปอกวกเรายังปลอยเป็นเนยยะบ้างเป็นวิปปิจตันยูบ้างเป็นกุกคติตันยูบ้างค่อยๆขยับไปเรื่อยในคนๆเดียว มีเหตุแล้วจะประสิทธิผลไม่มีทำไปเรื่อยๆใครไม่ทำเหตุคนนั้นแหละไม่ต้องหวังผลใครตั้งใจทำเหตุผลไม่ต้องหวังทําได้สัตว์ได้สวนทําได้ถูกผลย่อมเกิดขึ้นเองผลเกิดขึ้นเองผลเกิดขึ้นตามสัตว์ตามสวน ทำมนุธรรมปฏิปติปฏิบัติได้กั้นไหนผลก็มีขั้นนั้นปฏิบัติศี่ห้าได้หมดจดผลก็มีแค่ศี่ห้าหมดจดไม่เจริญสมาธิก็อยู่แค่นั้นเจอสมาธิเข้าไปได้รับความสงบสงัดในภายในบ้างสงบสงบสงัดเรื่อยๆขดสงบสงัดบ่อ ย, อยเนืองเนือง พื้นเพของจิตก็จะปรับขึ้นดีขึ้นเสริมขึ้นศีลกันหนุนสมาธิเข้าไปสมาธิกันนุปัญญาทำลายความหลงของตัวเองมันก็เป็นการขยับฐานะของตัวเองไปจากปั ะ, ะประมะขึ้นเป็นนิยยะจากบัวที่โผล่ขึ้นมาจากโคลนจากตมก็โผล่ขึ้นไปกลางกลางน้ำดอกบัวนั่นะ ดอกบัวก็ตามใบบัวก็ตามใบบัวมก็บานได้ดอกบัวมก็บานได้จากพระธะรรมะไปเป็นไนยะพอจะแนะนําสั่งสอนได้ธรรมะนี่ยังเป็นลูกผีลูกคนอยูอ่ยังเป็นลูกผีลูกคนรอการเวลาขยับเข้ามาอีกสักหน่อย ถ้าเจ้าเต่าเจ้าปลาไม่มาเอาไปกินซะก่อนก็พลอยที่จะโผล่โผล่ขึ้นมาได้กลางน้ำเออเป็นพะเป็นเนยะเป็นเนยะเป็นผู้พอจะบอกแนะนำสั่งสอนได้เป็นพอพอจะเร่งความภาก ค, ความเพียรได้พอจะขยับฐานะจิตใจของตัวเองได้จากนั้นแล้วก็วิปวิปจิตันยูขยับขึ้นไปอีก เท่ากับดอกบัวที่ปริมเสมอน้ําแหละหรือใบบัวที่มันปริมเสมอน้ําเนี่ยมันยังเป็นใบตูมอยู่มันยังเป็นดอกตูมอยู่เป็นวิปจิตันโยเป็นบัวเสมอน้ําวันคืนล่วงไปก็โปรโน้ําขึ้นไปเป็นดอกบัวมันก็พร้อมที่จะบานเมื่อต้องมีเหตุเพื่อมี เมื่อมีแสงอาทิตย์ที่จริงบัวมีแสงหรือไม่มีแสงก็บานได้แต่อันนี้ท่านเปรียบเป็นคําเปรียบเทียบเป็นคำอุ ป, ปมาเป็นคําอุปมาอุปไมยจิตมันพร้อมแล้วพร้อมที่จะบานพร้อมที่จะรู้ธรรมแต่ขาดเหตุขาดปัจจัยขาดการได้ยินได้ฟังขาดการขาดความภาค ความเพียรที่พอดีพอเหมาะเหมือนกับบัวมขาดแสงพระอาทิตย์ขาดความอบอุ่นโอกาสที่จะบานก็บานไม่ได้แต่ทีจริงบัวโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็นบานแดดหรือไม่แดดมันก็นต้องบานบัวตูมใบบัวตูมก็เหมือนกันก็นบาน การเปรียบเทียบในใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นในใจดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้น ป, ปาาัทภพรหมคนนั้นนัยยะคนนั้นวิปจิตัญญูคนนั้นโอคติตัญญูไม่ใช่หลวงตาทันเทศเอาคนคนเดียวนี่แหละพัฒนาปรับปรุงตัวเองนี่แหละจากปัทภพระมาไปเป็นนัยยะได้จากนัยยะไปเป็นวิปจิตัญญูปริ่มเสมือน้ำ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเหตุสร้างปัจจัยอยู่เรืยมันก็จะค่อยหนุนตัวเองยืดตัวเองไปด้วยยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยเสมอน้ําโผล่คนจากน้ำก็พร้อมที่จะบานได้ท่านเปรียบเหมือนการรู้ธรรมรู้ทั่วทั่วถึงธรรมเจญสมาธิพอประมาณพิจารณาปัญญาสลับกัน พิจรารณาธาตุขันนี่แหละพิจารณาเข้ากับหลักอริยสัจสพิจารณาเข้ากับหลักมหาสติปัฏฐานสกับหลักปฏิจจสมุปบาทมันอันเดียวกันทําไมจึงว่าอันเดียวกันท่านเรียกท่านแบ่งเรียกเป็นกิริยาอาการเท่านั้นเองที่ว่าเป็น อันเดียวกันก็เพราะว่ามีตัณหาเป็นเจ้ากี่เจ้าการอยู่ในนั้นตัณหามีอยู่ในดวงใจตัณหามีอยู่ในอย่างตัณหาเป็นอย่างเหนียวอยู่ในวิญญาณอยู่ในใจของเราตัณหาเป็นอย่างเหนียวอยู่ในยอดอ่อนของพืชพร้อมที่จะเกิดอเป็นข้าวก็พร้อมที่จะงอก อ่าเป็นพืชอย่างอื่นก็พร้อมที่จะงอกขึ้นมาเพราะมันมียอดอ่อนมันมียางเหนียวอยู่ในนั้นท่านจึงเปรียบเทียบกรรมกิเลสกรรมวิบากากิเลสกรรมกรรมมังเขตตังกรรมเป็นเนื้อนาท่าจะเทียบก็คือดินนั่นแหละ วิญญาณนางพีชังวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนพืชตันห้าสิเลโหตันหาเป็นเหมือนยางเหนียวในพืชได้ปุ๋ยได้น้ำได้อากาศได้ความร้อนอบอุ่นเพียงพอออกงอกขึ้นมางอกขึ้นมาน สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหนอเนื้อในใจของเราด้วยกันทุกคนมเกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสเกิดมาพร้อมกับมีผู้รู้เกิดมาพร้อมกับกิเลสต้องมาชะมาล้างผู้รู้เรานี่แหละทำลายความหลงทำลายความมืดบอดวิจิตของเราเองวิธีการทำ คือคือท่านให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาพิจารณาตามหลักที่ท่านบอกนั่นแหละตามหลักอริยสัจสี่แบบลงตาท่านสอนเนี่ยดูไปแล้วเข้าใจง่ายดีกําหนดทุกขเราก็ย้อนไปดูสมุดไทยกําหนดทุกเราก็ย้อนไปดูสมุดไทยอะไรคือทุกข์ร่างกายเป็นตัวทุกข์ จิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสนี่เป็นตัวทุกข์ท่านให้กําหนดทุกข์กำหนดกําหนดกายก็คือกําหนดทุกข์กำหนดจิตก็คือกําหนดทุกข์การกําหนดจดจ่อการตั้งเป็นรูปปณิมิตขึ้นมาพิจารณาก็ถือว่าเป็นการกําหนดเอาสติมากําหนดเอาสัมผัสัญญามากําหนดประคอไม่สียเนื่องกาหนดทุกข์ ย้อนไปดูสมุทยัยย้อนไปดูที่ไหนย้ยอนไปดูที่จิตเพราะสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตตัณหาคือสมุทยัยสมุทัยคือตัณหากรารมตัณหาภาวะตัณหาวิภา ะ, ะตัณหาพูดได้อย่างเดียวว่าตัณหาความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตเราดูไปมันดิ้นอยู่ภายในจิต จิตมันดิ้นอยู่ภายในด้วยอำนาจของตัณหาผลักดันบีบคันให้มันดิ้นตัณหาบีบคันให้จิตมันดิ้นตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากมันมีพลังหรือไม่มีพลังเราดูที่ความอยากเราอ่านออกไหมความอยากในหัวใจของเราหัดอ่านความอยากในหัวใจของเราหัดอ่านความอยากในหัวใจของเรา เราจะเห็น ต, ตันหาตันหายางหนึ so, all uno, like shoe, ่งชอบปีนเกลียวกับกิเลสตันหาอย่างหนึ so, ่งชอบปีนเกลียวกับธรรมตันหาที่ชอบปีนเกลียวกับธรรมอัน so, นั้นเป็นกิเลสทั้งนุ่นตันหาที่ชอบปีนเกลียวกับกิเลสนี่เป็นธรรมทั้งนุ่นอ่า เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความอยากแต่อยากทำตามข้อวัตรปฏิบัติเรื่องของเกเรมันพายากมันชอบทำปีนเกลียวกับข้อวัตรปฏิบัติชอบปีนเกลียวของศีลของธรรมชอบปีนเกลียวของกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีความอยากในใจของเราถ้าชอบปีนเกลียวกับ ศินกับทํากับขนบธรรมเนียมประเพณีกับกฎหมายบ้านเมืองแล้วอันนั้นเป็นกิเลสทั้งดุนเป็นกิเลสเต็มร้อยรีบละใรีบเว้นเท่ากับว่าเราอาศัยความอยากน่หละแต่มันเป็นความอยากฝ่ายธรรมะความอยากฝ่ายมรรคล่งตาทธรว่าเป็นมรรคเป็นมรรคอาศัยความอยากที่เป็นมรรคนี่นแหละทําเหตุเพื่อชะล้าง ดดับเพื่อระ ง, งับกิเลสระ ง, งับได้ก็เปน็นนิโรธระงับได้ก็เปน็นนิโรธย้อนไปดูสมุทยย้อนไปดูที่ใจเราพยายามจับเวลาเราภาวนาพุทโธก็ได้เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคอยสังเกตดูความอยากมาันแสกออกมาแล้วมันดึงจิตเราไปนี่มันักมันคอยแสกมาตลอดนะ ความอยากยจิตเรามันไม่สงบเพราะมันนึกไปตามที่ความอยากมันดึงไปนั่นแหละกุโธกุโธกุโธมันแทบเข้ามาอะไรที่มันชอบใจที่สุดสดส ด, สดร้อนร้ อ, รอติดเนื้อติ ด, ต, ดตัวมานอารมณที่มันรุนแรงใหม่ๆติดตัวมาเนี่ยอันนี้แหละมันดึงไปกำลังเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นต้องมาอย่างนี้ กำลังสนุกกับสิ่งนั้นต้องมาอย่างนี้กําลังติดใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพลินมาอย่างนงี้กาลังทําอนุั้นยังไม่เสร็จยังคาอยู่ตรงนั้นตอนนี้พุทโธพุทโธพุทโธคิดถึงแต่อนันนั้นแหะไอ้ที่ยังคาอยู่นั่นแหะเนี่ยมันพานึก์พาคิดไปบางทีมันก็พาเนึกออกนอกลูก่นอกทางไปนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียด อิจาริสยาเป็นมายาของกิเลสทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นใครรู้ทันมันแล้วก็ทิ้งมันเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ทิ้งมันหัดมองแล้วจะรู้ทันหัดมองแล้วจะเห็นกำหนดทุกกาหนดกายนี่แหละล้มเข้าออกพุทโทพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกนี่ก็เป็นการดูกาย หรือไม่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันแบบที่เราสวดเมื่อกี้ก็ได้นี่คือการดูกายการดูกายแล้วก็ระวังไปที่ใจแท้ที่จริงก็เอาใจนั่นแหละดูเอาใจนั่นแหละดูเอาสติเอาสัมปชัญญะซึ่งเป็นกิริยาของใจอีกอันหนึ่งมาดูเป็นกิริยาของใจ เป็นคุณธรรมที่พระคับประคองจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตรู้ให้จิตตื่นให้จิตเบิกบานสติสัมปชัญญะเอาตัวนี้เป็นตัวประคองเอาเป็นเอาตัวนี้เป็นตัวดูเอาตัวนี้เป็นตัวกำหนดเป็นตัวพิจารณาดูผมขนเล็บฝันหนังดู มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมยับยับยับยับแค่เราไล่าอาการสามสิบสองไล่ไปไล่ามาไล่กลับไปไล่กลับมาไล่กลับมาไล่กลับไปดใูในบทในบทบวทท่านยังให้อุปิชายะสอนเลยสอนตจะจักปัญจกักรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจอนาาโลมาเกสากลับไปกลับมากลับมากลับไป เปลี่ยนความรู้สึกไปตามนั้นเปลี่ยนความรู้สึกไปตามผมผมก็รูปปนิมิตที่เป็นผมปรากฏขนรูปปนิมิตที่เป็นขนแล็บรูปปนิมิตที่เป็นแลบฟันรูปปนิมิตที่เป็นฟันหนังรูปปนิมิตที่เป็นหนังยับยับยับยับยับเราดูเราทําอย่างนี้เราทํ า, งง เ, าทเพื่อ พยายามแย่งผู้รู้เราจากกิเลสไม่ให้กิเลสมันเอาไปใช้งานอย่างนี่นนี่มันก็เป็นการพิจารณากายพิจารณากายแล้วก็ระวังสมุทัยมันเกิดไปที่จิตกำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทยัยกำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทยัยแล้วจับหลักนี้อนนเอาไว้ย้อนไปดูสมุทัยก็คือย้อนไปดูความอยาก เห็นความอยากน่ะเห็นสมุทัยแล้วพอสติสัมปชัญญะที่ร่อยู่มันมันทันสมุทัยมันก็ดับมันทันก็ดับมันทันมันก็ดับมันทันมันก็ดับมันก็ต่อกรกันอยู่อย่างนี้แหละมันทันมันก็ดับมันทันมันก็ดับไม่ปล่อยให้มันมีอานาจฝ่ายเดียวเพราะมันมีอํานาจฝ่ายเดียวก็เป็นวิบากมันสร้างวิบากสร้างรวงรังสร้างพื้นสร้างฐานให้กับตัวมันเอง เรารู้เราทันมั น, นี้มันเป็นการไปตัดรอนจากหนาหน า, นาจากมากๆากไเริ่มบางลงบางลงจางลงจางลงจางลงเห็นโทษเห็นไผ่ของมันเริ่มจางลงจางลงจางลงก็เพราะตัณหาความอยากในหัวใจของเราเนี่ยแหละมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างจากข้อเท็จจริงทําให้เรา รู้ผิดเข้าใจผิดยึดผิดถือผิดสําคัญผิดแล้วก็ทําผิดผิดแล้วก็ได้รับทุกได้รับโทษผิดผิดแม่ผิดสของของมันอีกอย่างหนึ่งคือความความรักเนี่ยนดูพอเห็นรูปก็ิ่รักเนี่ยแทนที่จะเห็นรูปเป็นรูปมันบอกว่าสวยมันบอกว่าไม่สวยเกิดรักแล้วเกิดชังขึ้นมานี่ก็คือมันแปลผิดมันแปลผิด ตัณหามันพาแปลผิดเพรรักแล้วสิ่งที่ตามมาคือยึดเข้ามาดึงเข้ามาดูดเข้ามาและ่ะชอบใจรักเข้ามาดึงเข้ามาดูดเข้ามาถ้าไม่ชอบใจก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปแต่อตัวที่มันผลักดันให้เกิดอาการอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นตัวตัณหานั่นแหละแต่เราไม่เห็นมันถ้าเรามาเล่นกันอยู่ตรงนี้เราจะ อยู่ในวงแวดวงในฐานของมันมันพอที่จะรู้เริ่มรู้เริ่ ม, มทันมันเริ่มทันจิตของเราก็จะเป็นตัวของตัวอยู่บ้างจะเพิ่มความสว่างเพิ่มความฉลาดเพิ่มความรวดเร็วของสติของปัญญาเราขึ้นทําไปเถอะั้งใจทําไปเถอะมันไม่มีเหตุใดๆที่จะไม่เพิ่มผลไม่มี เหตุดีเหตุที่เป็นธรรมผลที่เป็นธรรมก็เพิ่มขึ้นแต่เหตุที่เป็นกิเลสผลของกิเลสก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเส้นนะ <realmente> เป็นสองเส้นทานเป็นสองหน่หน่อของธรรมก็เป็ น, นอีหนึ่งหนอ่ของกิเลสก็เป็นหนึ่งเส้นของธรรมคือเส้นหนึ่งเส้นของกิเลสคือเส้นหนึ่งวิบากกรรมของธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง วิบากกรรมของกิ friend, he he his Kaiser, his y, people, เลสก็เป็นส่วนหนึ่งต่างให้ผลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันให้ผลที่เป็นสุขวิบากของทําให้ผลที่เป็นสุขวิบากของกิเลสให้ผลที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นเวรเป็นภัยมีแต่เพิ่มทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์เป็นเวรเป็นภัยมันก็ทุกข์ตัวทุกข์แล้วก็ยากแล้วก็ลาบากทุกข์ยากลาบาก ดูเถอะทุกความทุกยากความยากลําบากความลําบากเพราะสิ่งเหล่านะั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นปัญหาตัณหานี่แหละมันทําให้กลายเป็นปัญหาเป็นเหตุที่เราต้องแก้แก้จะเอางัวหนวกตาบอดไปแก้ยิ่งแก้ก็ท่าไปยิงมัดยิงแก่ก็ยิงพันยิงแก้ก็ยิงมัด เพราะอะไรเรารู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกแก่ผิดเข้าใจผิดก็ไปแก้ไปแก้ผิดยิงแก้ก็ถ้าไปยิงมัดแก้ทุกก็ยิ่งเพิ่มทุกแก้ทุกก็เท่ากับยิ่งเสริมทุกนี่เราดูความมืดบอดเราน่าเครียดแค้นไหมถ้าเราถ้าเราไม่มาตรงนี้เราไม่ทามันนะไม่ทันแน่แนวันคืนเป็นหุ่นให้มันอยู่ที่นั่นแหะ วันคืนลงไปเป็นหุ่นให้มันเชิดอยู่อย่างนั้นแหละดูแล้วไม่ต่างกับหุ่นนางตลุงที่เขาเชิด น, น่ะกิเลสมันเชิดเออถ้าถูกทำเชิดมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนี่เรามีสติมีสัมผัสชัญญะเพียบพร้อมอยู่แต่ถ้าขาดเมื่อไรแล้วก็ถูกกิเลสเชิดขึ้นมาทันที มาเลยเด้อมาเลยเด้อเตรียมรลกอีเด้อฮะสำนึกเรื่องเหล่านี้ให้มากถ้าให้เราไม่ลืมตัวนะถ้าเราไม่สำนึกเนะี่ยลืมตัวเดี๋ยวเล่นแหละเดี๋ยวคุยแหละ เดี๋ยวนึกนอกลู่นอกทางแหละคิดหมายช่างมันนะเสียเวลาช่างมันขอให้เป็นที่ชอบใจขอให้เป็นที่พอใจลืมตัวขาดความสำนึกนี่ลืมตัวลืมตัวลืมเป็นลืมตายลืมทุกข์ลืมยาก มันก็ไปตรงนั้นแหละมันก็ไปตรงไอ้ตรงทุกๆยากๆนั่นแหละ แล้ว